ปกรร ม, มสูตรทรงแสดงกรรมเก่ากรรมใหม่และทางดับกรรมในแนวที่ต่างจากที่แสดงในที่อื่นคือกรรมเก่าหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจกรรมใหม่หมายถึงกรรมที่บุคคลกระทําทางกายวาจาและใจในบัดนี้ทางดับกรรมคืออริยมรกมีองค์แปด ก้าโกติกะสูตรพระโกติกะถามพระสารีบุตรว่าตาเกาะเกี่ยวรูปในวงเล็บแสงสีหูเกาะเกี่ยวเสียงจมูกเกาะเกี่ยวลิ้นลิ้นเกาะเกี่ยวรสกายเกาะเกี่ยวสัมผัสใจเกาะเกี่ยวมโนภาพถามว่าทั้งหมดเป็นอย่างนั้นหรือ พระสารีบุตรย้อนถามว่าโคขาวกับโคดําเขาเอาเชือกผูกติดกันไว้อยากทราบว่าโคขาวติดกับโคดําหรือไม่พระโกติกะตอบว่าหาไม่ได้เชือกเท่านั้นที่ทำให้โคดํากับโคขาวเนื่องกันพระสารีบุตรจึงวิสัชนาว่าตาไม่ได้เกาะเกี่ยวรูปหูไม่ได้เกาะเกี่ยวเสียง จมูกไม่ได้เกาะเกี่ยวลิ้นลิ้นมิได้เกาะเกี่ยวรสกายมิได้เกาะเกี่ยวสัมผัสใจมิได้เกาะเกี่ยวมโนภาพความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมโนภาพเหล่านั้นต่างหากที่เป็นตัวผูกสิ่งเหล่านั้นเนื่องกันสิบอาทิตย์ยะปริยายสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระปัญจวคีว่าทุกอย่างเป็นของร้อนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ร้อนสัมผัสเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ร้อนเวทนาเกิดจากสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ร้อนร้อนด้วยไฟราคะโทสะโมหะ ร้อนด้วยไฟคือชาติชรามรณะโสกะบริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตสิบเอ็ดอาศีวิสสูตรพระสูตรนี้เป็นคำเปรียบเทียบน่าสนใจความว่ามีคนมาบอกชายคนหนึ่งว่ามีอสรพิษสี่ตัวจะต้องดูแลให้ดีปลุกตามเวลา อาบน้ำให้ตามเวลาให้กินตามเวลาให้เข้าที่อยู่ตามเวลาถ้าตัวใดตัวหนึ่งโกรธขึ้นมาอาจกัดเจ้าของถึงตายมีอะไรจะต้องทำให้รีบทมซะชายคนนั้นกลัวอส ร, รพิษสี่ตัวนั้นจึงหนีไปที่อื่นมีคนมาบอกว่ามีเพชชฆาตอยู่ห้าคนไล่ตามหลังมาพบท่านที่ใดจะฆ่าท่านที่นั่นทันที เขาวิ่งหนีต่อไปด้วยความกลัวมีคนบอกเขาอีกว่ายังมีพวกโจรเหาะเหินเดินอากาศได้เงื้อดาบไล่หลังท่านมาพบท่านที่ใดจะตัดศรีรษะท่านมีอะไรจะต้องทำให้รีบทมซะเขากลัวอสา ร, รพิษกลัวเพชฌฆาตห้าคนกลัวพวกโจรวิ่งหนีเข้าไปในบ้านร้างหลังหนึ่ง รูปคลาภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งมีคนบอกว่ามีโจรคอยดักฆ่าคนที่เข้ามายัางบ้านหลังนี้เสมอมีอะไรจะทำให้รีบทำซะเขารีบหนีไปอีกพบห้วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งฝั่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายฝั่งโน้นปลอดภัยเขาหาไม้มาผูกเป็นแพรแล้วพยายามแจวหรือพาย จนข้ามไปฟังโน้นโดยสวัสดีพระพุทธองค์ตรัสอุปมาดังนี้ตรัสอุปไมยว่าอสสารพิษทั้งสี่คือมหาพูดสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟเพชชาตห้าคนแรกคือเบญจขันธ์ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พวกโจรคือนันทิราคะคือความกำนัดยินดีด้วยความเพลินความเพลิดเพลินยินดีบ้านร้างคืออายตนะภายในหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจห่วงน้ำใหญ่คือโอคะสีได้แก่กามภพทิฏฐิอวิชชา ฝั่งนี้คือร่างกายของคนเราฝั่งโน้นคือพระนิพพานแพ่คืออริยมรรคมีองค์แปดการพยายามแจวหรือพายเรือด้วยมือและเท้าคือการทำความเพียรการถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีคือการบรรลุพระอรหัตส 12. ทารุขันทสูตร พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นขอนไม้ลอยมาจึงตรัสแกเหล่าสาวกว่าถ้าขอนไม้นั้นไม่เข้าฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นจะไม่จมในระหว่างไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนพัดไม่เน่าเสียภายในมันจะลอยเรื่อยไปยังมหาสมุทรภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอไม่แวะฝั่งนี้หรือฝั่งโน้น ก็จักไม่เกยบกไม่จมในระหว่างไม่ถูกอามนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกเกลียวน้าวนพัดไม่เน่าเสียภายในเช่นเดียวกันพิสุรูปหนึ่งทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสหมายความว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าฝั่งนี้คืออายตนะภายในหกฝั่งโน้นคืออายตนะภายนอกหก การจมในระหว่างคือนันที่ราคะความเพลิดเพลินยินดีเกยบกคืออัศมิมาณนะการถือว่าตัวกูถูกมนุษย์จับไว้หมายถึงพระที่คลุกคลีกับขาเรือหัสร่วมสุขร่วมทุกข์กับพวกเขาช่วยเหลือทากิจให้พวกเขาถูกอามนุษย์จับไว้หมายถึงพระที่ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อไปเกิดในเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งเกลี่ยวน้ำวนคือกามคุณห้าเน่าเสียภายในหมายถึงทุศีลมีความประพฤติหน้ารังเกียจมีธรรมลามกไม่บริสุทธิ์มีการกระทำซ่อนเร้นไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่อ้างว่าประพฤติมีกิเลสหนาเน่าเสียภายในดุดขยะเน่าเหม็น 13. ฉับปานสูตรตรัสสอนสังวรหรือการสำรวมอินทรีย์เหมือนจับสัตว์หกชนิดมัดรวมไว้ที่เดียวกันย่อมเป็นการลำบากยิ่งสัตว์หกชนิดที่มีวิสัยต่างกันมีโคจรคือที่หากินต่างกันถูกจับมาผูกติดกันไว้คืองูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกและลิง ต่างฝ่ายต่างก็จะดึงไปยังฝั่งที่ตนเคยชินงูก็จะดึงไปสู่จอมปลวกจระเข้ก็จะดึงลงน้ำนกก็จะบินขึ้นฟ้าสุนัขบ้านก็จะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกก็จะเข้าป่าดึงกันไปดึงกันมาตัวไหนมีกำลังมากก็จะลากตัวอื่นตามไปด้วยภิกษุที่ไม่อบรมกายยะคตาสติ ก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันย่อมถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจดึงไปสู่ทางที่มันเคยชินเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงตั้งใจอบรมกายคตตาสติให้มากเถิด